อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะ้ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการธรรมระบรุ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะก็เราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสากัะชาคะ่ะกับท่านพระอาจารย์ไพบูญอภิปุนโนและ เสาที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเราได้มีบุญอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสอาดที่ตัวาสสหรือท่านพระคุณสิทธิปรากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกตบวนนอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาร่วมรายการด้วยนะคะซึ่งเราพบกันในเช้าวนันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิกันยายนนะคะสําหรับวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ขึ้น8ปดค่ำเดือนสิบ ปีมะโรค่ะก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของท่านที่จ ะ, ะเกษียณอายุราชการนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ที่29และ30นั้นก็คิดว่าสําหรับท่านที่รับราชการมานานเนี้ยก็คงจะทํางานเป็นวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่28เท่านั้นดังนั้นก็เลยได้หยิบยกเกี่ยว ก, กับเรื่องของธรรมะที่จะเป็นข้อเตือนใจสําหรับผู้เกษียณอายุราชการเนี้ยมาสนทนาพูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโส ท่านจะเอาวาัดวัดป่าดอนไหโศกและพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุนของสถานีวิทยุกระจัยเสียงแห่งประเทศไทยไปเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งท่านก็ได้สักษาหรือว่าสนทนาธรรมะว่าในวัยทั้ง3ของมนุษย์เรานั้นเนี่ยตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แบ่งไว้ก็จะแบ่งเป็นผส ม, มวัยหรือวัยต้นก็ตั้งแต่เกิดมาอายุจนกระทั่งอายุ30ปีนะคะ มาชิมวัยหรือวัยกลางคนนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่อายุสามสิบปีถึงหกสิบปีแล้วก็ปัจิชิมวัยคือวัยสุดท้ายตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางโลกของเราก็เป็นช่วงเวลาที่จะเกษรรียณอายุราชการหรือหยุดทํางานรชาชการนั่นเองนะคะขอนำท่านฟังมากราบน้ำสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดทิโตพาโสและพระอาจารย์ภัยบุญอภิพุตโนเพื่อที่จะสนทนา ธรรมะกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยนะคะกลาบน้ำสการ์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่และพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเป็นพ่สาธุเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราคุยค้างกันไว้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกริ่นว่าเอาล่ะจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้วคือ60ปีนี้นะเจ้าค่ะเราจะควรคิดทําจิตใจอย่างไรทําให้ชีวิตของเราเนี่ยยังมีความหวังต่อไปหรืออยู่ในเส้นทางที่ถูกที่ควรก็กราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็เราได้พูดถึงวัยต่างๆสามวัยนะคือทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะปฐมวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายใช่ไหมปฐมวัยไม่ใช่วัยแล้วก็ปัจฉิมวัยซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็เป็นคร่าวๆเานั้นเองแต่จริงๆแล้วมันแล้วแต่บุคคลด้วยนะเราก็วัดที่ความ ช่วงต้นเนี่ยคือความรุ่งเรืองดีขึ้ น, นของสุขภาพร่างกายต่างๆช่วงกลางคือเวลาที่ใช้งานใช่ไหมช่วงปลายคือช่วงเสื่อมถอยเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นเรากําลังพูดถึงช่วงปลายเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เริ่มที่หกสบางคนอาจจะไปเริ่มที่เจ็สิบบางคนอาจจะเริ่มมาตั้งแต่สีสิบแล้วเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นเราก็คอยพิจารณาตรงนี้เรากำลังพูดถึงช่วงเวลาที่มันกําลังเสื่อมถอย <S <S เอาพูดถึงคนที่รับราชการอย่างเงี้ยเราจะมามาลองเหมือนกับว่าลอ ง, ลองพิจารณาใน ในสถานการณ์ของบุคคลที่จะเกษียณนะคุณเดินใจคิดดูนะเราตื่นเช้ามาเป็นเวลาหลายสิบปีต้องไปทํางานเนี่ยนะหยุดบ้างนิดก็นิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหมพอมาถึงวันนี้โอ้ตื่นมาแล้วไม่ต้องไปทํางานแล้วนะจ้าค่ะมันน่าใจหายเหมือนกันนะคนที่เขาจะมาโดยช่วงยิ่งคนที่อยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยจะมาคอยตามห้อมล้อมตามต้อยๆแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนั่นท่านนี่อะไรต่างๆไม่มีแล้วนะจบเลยนะ มันน่าใจหายล่ะเหมือนกับเราถอดหัวโขนออกไปแล้วเจ้ค่ะจบเลยเหมือนกับเราเล่นละครเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะพอเลิกละครแล้วคุณเล่นเป็นท่านขุนอคุณเดี๋ยนี้ละครอะไรนะเจ้าค่ะขุนอะไรสักอย่างแบบนี้นะพอหมดละครปุ๊บคุณจบเลยนะเจ้าค่ะเขาไม่มาประคบประงมประคับประคอคอยอะไรต่างๆคุณแล้วจบแล้วมันน่าใจหายเค่ะอันนี้ที่เรามีหมดลบจากตําแหน่งไม่เหลือเงินเดือนหายเกี้ยง มีระวันเดือนนิดเดียวอย่างเงี้ยอ่ามันเลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมใจไปก่อนถ้าเราไม่ได้เตรียมใจไว้โอ้โหเรามันจะเป็นเหมือนกับสนิมกัดกินใจเราตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคือสนิมถ้าใครเคยเห็นมันขึ้นเหล็กเนี่ยนะมันก็ให้กินไปทีละนิดละนิดละนิดจนมันหักกัดกร่อนไปเรื่อยนะ้ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่คอยขัดสนิมในใจที่มันมาคอยขัดกินเราเนี่ยเราถึงเวลาพูดเราก็ ตายไปเลย <S <S <S คือมันไม่หมด <S <S หมดกำลังใจที่จะอยู่ต่อเค่ะท้ อ, ะถอถอยไปเลยนะเพราะเราต้องเตรียมการไว้ก่อนคื อ, เ, อเราจะทําอะไรก่อนเราจะเตรียมใจของเราอย่างไระพกผู้เช่าเคยพูดถึงบุรุษอาชาในสี่ประเภทนี่คืออาจารย์มัต้องกันไล่มาตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่ถึงไม่ไม่ถึงวัยสุดท้ายนะค่ะคุณเห็นคนที่เกษียณอ่ะเราควรจะต้องระลึกไว้หลักว่าไอ้ฉันต้องเป็นอย่างนี้สักวันผู้เช่าเปรียบเทียบกับ บุต ร, รอาชาในเปรียบเทียบกับมาอาชาในสีประเภทนะว่าประเภทที่หนึ่งนี่คือคนที่ เ, เห็นได้ยินข่าวนะว่าโอ้ยหมู่บ้านนู้นหรือคนนูน้นนะเขาตายหรือได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปรียบทียบกับกรณีนี้ก็คือว่าฉันเห็นได้ข่าวเฉยนะว่าเขามีากางานเกษียณนะแล้วตัวเองก็มาระลึกถึงว่าเฮ้ยฉันก็ต้องกษียนสักแบ น, นึงฉันต้องทำอะไรสักอย่างอย่างเงี้นะนี่คือบุตรอาชาในประเภทที่หนึ่ง เปรียบเทียบกับม้าอาชะนายที่ว่าพอเห็นเงาของปตักเนี่ยก็รีบเดินไปเลยคือไม่ต้องให้เขาหลงแทะไม่องใ้เขาลงปะตักก่อนเนส่วนบุรุษอาชะนายประเภทที่สองเนี่ยก็คือคนที่ เ, เรารู้จักคนที่เรารู้จักคนที่เราเป็นเพื่อนเป็นอะไรต่างเนี่ยประสบความตายหรือได้รับความทุกข์เขาก็เลยมัคิดว่าไอตัวฉันนี่ก็ต้องเป็นเหมือนกันก็เลยรียบทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเปรียบกับคนที่เรารู้จักเขากาลังจะเกษียง โอ้เพื speed, <Okay. S 1> <adore S 2> ่อนที่เรารู้จักนะเพื่อนพี่ในมหาลัยเรียนกันมาตอนนี้เขาเกษียณแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยที่พอถึงเวลาที่เราจะเกษียณแล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนใจเจค่ะนี่คือบุรุษอาชายประเภทที่สองเปรียบกับม้าอาชายที่ว่าพอในฝึกม้าเนี่ยคนขับม้าเนี่ยนะเขาเอาประตักเนี่ยมาจ่ออยู่ที่หนังมาสะกิดสกิดละเจ้าค่ะสกิสกิดละทีนี้บุรุษอาชนายประเภทที่สก็คือคนที่เราเราเห็นเอง คุณไปร่วม ง, งานเองนะคุณเห็นว่าโอเ้เขาร้องไห้เขาเสียใจนขนาดนี้เลยเหรอเขาจ ะ, <Okay. S 1> จะตายจะเจ็บปวดอย่างเงี้ยแต่คุณไปร่วม ง, งาน ก, นกับเสียโอเ้เขาเสียใจร้องไห้กันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะ <Okay. S 1> ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพูดคุยได้เห็นจิตใจของเขาว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็เกิดความสลดสังเวทว่าเอ้เราจะต้องทําอะไรบ้างสักอย่างเนื่อเปรียบกับม้าอชไนที่คนขับม้าเนี่ยเออกปรตักเนี่ยทิ่มทะลุหนังเข้าไปถึงเมือแล้ว <Okay. S 1> นะแล้วจึงค่อยวิ่งเดินไป ในะส่วนบุรุษอาชญาประเภทที่4พระเจ้าเปรียบเทียบก็คือคนที่ตัวเองเนะี่ยโดนเองนะประสบความทุกขเวทนาหรือกําลังจะตายแล้วก็เลยคิดว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ <Okay. S 2> นะก็เปรียบเหมือนกับม้าที่คนขับม้าที่เขาเอาปะตักเนี่ยทิ่มเข้าไปทะลุเนื้อจนจตั่งถึงกระดูกล้วถึงจะค่อยเดินไปไก็คือเปรีบยบเหมือนคนที่ตัวเองกับเกษียณอยู่แล้วตอนนี้เจอความทุกข์อยู่แล้วตอนนี้ว่าฉันจะต้องหมดจากพวกนี้ไปทั้งหมดเลยฉันต้องทําอะไรสักอย่าง ถามว่าคุณอยู่ในตอนไหนตอนนี้นะคือสี่พวกนี้ดีหมดน ะ, ะดีหมดอนะ่า ค, คือพวกที่ไม่ดีเนะี่ยคือพวกที่ห้าที่พระเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยก็คือว่าคนที่ประมาทแม้ในปัจฉิมวัยก็คือจะต้องเสียเวลาไปประปล่าๆเฉยๆเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในอันไหนในสี่บุคคลนี้อเราจริงจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทํางานเนี่ยคุณเฉินใจถ้าเราถามว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนเรายังไม่กเกษียณหรอก เราแค่พึ่งเข้ามาในงานได้ยินข่าวว่าเขาจะเกษียณกันะนะโอปีที่แล้วเขาเกษียณไปแล้วหรอฉ็นเพิ่งปัจจุบังนง า, งานเกษียณอะไรอย่านี้จะมีงานเกษียณบ่อยเจ้าค่ะก็เลยเมื่อกี้เออฉันต้องทําอะไรสักอย่างนถ้าคุณทํางานอย่างดีนะคุณรู้จักใช้เวลาในการที่จะสังเกตตัวไม่ใช่บ้างอย่างที่ผมพ่อสอนนี่นะก็จะเรกว่าไม่ประมาทละมาถือว่าตัวเองไม่ประมาทละเป็นเขาเรียกว่าปฏิบัติทั้งคารวะวิสัยในฐานะที่ทํางานด้วยแล้วก็ปฏิบัติเพื่อ ใ, ใจของตัวเองในยามสุดท้ายด้วยก็คือในลักษณะของวิสัยเพื่อที่จะให้ปตดพ้นจากโลกไปอย่างเงี้ยนะช <Okay. S 1> ่วงตืวเวลาเพราะฉะนั้นไอความไม่ประมาทที่เราพูดถึงตรงเนี้ยก็คือความไม่ประมาททางจิตนั่นเองนะก็คือให้เรามีสติกับสมาธิค่ <Okay. S 1> แล้วก็เลยจะขอให้ผมพอได้พูดคร่าวๆนิดนึงเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะให้จิตเรามีสติกับสมาธิเนี่ได้อย่างไรนิมล์จ้าค่ะมันต้องฝึกหัดต้องฝึก ต้องเข้าไปปฏิบัติธรรมหาวิธีฝึกใจให้สงบฝึกใจให้อยู่กอับอารมณ์อันใดอันหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกถ้าเราฝึกหัดใจเราอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจเราก็จะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดฟุ้งซ่านนั่นนี่จิตใจเราก็จะมีความสุขลูกหลานรอบข้างก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไร เรื่องควรบน่นก็ไม่บน่นเรื่องควรทํานั้นทนํานี่ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ทําตั้งมั่นอยู่ในคุณศีลคุณธรรมบันดีงามฝึกหัดใจให้เป็นหนึ่งให้มีอารมณ์เดียวเช่นกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่ก็เห็นลมเข้าลมออกเห็นลมเข้าเราก็ให้มีสติอยู่กับลมเข้าเห็นลมออกก็ให้มีสติอยู่ในขณะลมออกเราค่อยเห็นลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ จิตใจของเราไม่สงบมันก็สงบขึ้นมาถ้าเราทำอย่างนี้เราคิดเราจะสงบเพราะกิดเราสงบแล้วสบายอันนี้เรากาทำเองแต่ถ้าไม่มีที่ไปที่อื่นก็เชิญไปที่วัดป่าหลวงนายโศกไปฝึกปฏิบัติธรรมไปฝึกปฏิบัติดีกเรนสักเกียวันมีเดือนหนึ่งมีการแนะนาวิธีปฏิบัติธรรมให้กับบุคคลต่างๆ ที่ไปฝึกปฏิบัติวันครั้งละเจ็ดวันครั้งละเจ็ดวัน ก, ก็จะมีสมาธิขึ้นมาถ้าได้สมาธิแล้วเราก็ทำบุญทากุศลสั่งสมพนังความดีให้กับตัวเองเพราะว่าไว้และชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนไม่มีอะไรเตียงแท้แน่นอนเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาโลกโอกาสเรามาถึงหกสิบเจ็ดสิบแล้ว มันก็ไม่ไหวแล้วทาไม่รีบทําความดีเอาไว้เราก็ไม่มีที่พึ่งทางใจใจของเราก็ตกต่ำเพราะฉะนั้นหัดแทส้สงบทำบุญทำบุญสรัางส่งบุนำคกองดีควจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตายไปแล้วก็มีความสุขถ้าไม่ตายก็มีความสุขความเจริญจิตใจเบิกบานดีแล้วก็ขออวยพรให้ผู้ที่กเกษียณจา ก, กเกษียณอายุทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญให้มีอายุยิ่งยืนนาน ให้มีใจิตใจเบื่อความเขียมใส่ทุกคนไปจะเปนพรสอาทุเจ้าค่าะประเด็นที่หลวงพ่อได้พูดถึงว่าคนที่ใบไวัยท้ายแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะครูชาติเคยเปรียบเทียบตรง น, นี้คุณตัดใจน่าสนใจมากครูชาติเปรียบเทียบกับบ้านที่กํำลังไฟไหม้เจ้าค่ะบึมๆเลยนะ่ะเจ้าค่ะเฮ้ยเราอยู่ในบ้านไฟไหม้อะเราจะทําะไรเรารีบหนีอะไรของไหนขนออกได้ขนออกของไหนขนออกปุ๊บปลอดภัย เฟอร์น <Okay. S 2> e ิเจอร์ชิ้นนี้เอกสารอันนี้ทรัพย์สินตรงนี้ขนออกขนออกนะเราจะปลอดภัยไฟจะไม่ไหม้ทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นแนะพูะเจ้าเปรียบเทียบกับบุคคลที่ทั้งชีวิตไม่ได้ทำอะไรมาไม่ได้สร้างสร้างกุศลอะไร <Okay. S 2> เอ๊ะพอถึงวัยปลายเนี่ยจะทำยังไงคือคือพูะเจ้าตรัสพระสูตรนี้นะเพราะว่ามีมีพราหมณ์สองอคน <Okay. S 2> นะเขาอายุรอยี่สิแล้วสองคนนี้เขาบอกโอ้โ oh ห แกก็แก่งอมแล้วนะแต่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลมาเลยจะมาเจอพระพเจ้าแล้วขอคำแนะนำหน่อยเสดว่าจะทํายังไงจุคาพระพุทธเจ้าเลยตรัสพระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าบ้านไฟไหม้เนี่ยจุคาเนะป ร, เรียบเทียบบ้านเนี่ยคือร่างกายของเรามันไฟไหม้อยู่ตลอดต่อให้คุณอายุยี่สิบตอนนี้นะไฟในร่างกายมันกำลังบึ้มๆอยู่นะ แต่มันยังไม่ไม่พังนั่นเองคือไฟไหม้มันกว่าจะพังมันใช้เวลาใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นบางทีบางคนใช้ช่วงชีวิตแปสิปีบ้างเก้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างกว่าบ้านนี้จะพังบ้านคือร่างกายของเราแล้วมันไหม้มั้งตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็ค่อยลุกกลามขึ้นลามขึ้นลามขึ้ น, นตรงนี้แตกตรงนี้หันตรงนี้ราตรงนี้เหี่ยวตรงีย่นนะจนกระทางซ่อไม่ได้บ้านพังนั่นคือ <Okay. S 2> คุณตาย่ทีนี้ไอ้ทรัพย์สินสมบัติที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าจังหวะที่คุณตายนี่คือพังหมดจบคุณไไไไปมม่่่ดด้เเลลยยกกหทุอาง เงิน้อยู่ในธนาคารกี่เท่าไหร่ตัวเป็นของลูกหมดเลยนะเราไม่ได้สักบาทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบการนําออกขนออกฟเจอร์นี้ขนออกเอกสารนี้ขนออกที่ขนออกนั่นนะ่ะจะเป็นของเราจะปลอดภยัยพระเจ้าพูดถึงการขนออกตรงนี้ด้วยการให้ทานให้ทานโยคะนั้นนําออกด้วยการให้ทานนั่นะชื่อว่าทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยลนะนัให้อะไรสุดท้ายถ้าคุณไม่ให้คุณก็ต้องให้อยู่ดีคุณก็ต้องให้ลูกหลาน ควเขียนพี่ในกรรมแก่แล้วแก่อีกอะเราไม่รู้ยังไงว่าเรานั่นคือลักษณะของการให้เหมือนกันค่ะเพรา ะ, ะเราคุณควรจะต้องจัดสรรตรงนี้เราเพื่อเราจะคิดให้ยังไงอย่าไปตะหนี่เอาไว้ถ้าสมมติคนที่ยังไม่ได้ทําอะไรมานะแล้วที่หลวงพ่อได้พูดถึงว่าให้ฝึกจิตฝึกสมาธินี่นะะมันไม่ใช่เฉพาะคนวัยท้ายเท่านั้นนะวัยต้นก็ทําได้วัยกลางก็ทําได้ที่วัดป่าดอนไหส่งของเราเนี่ยมีแนวโน้มนะคุณเดินใจที่ คนที่อยู่ในช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยอายุยังไม่40เนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมากขึ้นสมัยก่อนเราจะเห็นแต่คนแก่ๆล ะ, ะมาถึงก็ต้องนั่งเก้าอี้มีไม้เท้าเดินตัวงๆเงิ<ๆ>งนเงินะเนื้อตัวสั่นเทิมผมหงอกฟันก็หักแ ล, แล้วก็มีรู้ลายเต็มหน้าไปหมดเลยอธิบายแล้วก็รู้สึกสลดสังเวช <c oughs> ก็ <c oughs> ก็จะต้องเดี๋ยวนี้ลดลง คือหมายความว่าสัดส่วนของคนที่เริ่มไม่ประมาทในวัยเนี่ยก็คือหมายถึงที่วัดเราอะนะเริ่มมีมากขึ้นบ้างเด็กลงใช่อายุเฉลี่ยก็น้อยลงของคนที่มาปฏิบัติธรรมก็เห็นข้อมูลตรงนี้ก็เลยมาเล้ฟังว่าเฮ้ยคนหนุ่มคนสาวก็มาฝึกปฏิบัติธรรมจุ๊บค่ะอย่างที่โยมไปปฏิบัติมาสามครั้งแล้วเจ้าค่ะยังมีเด็กๆอายุเก้าขวบสิบขวบอะไรอย่างงี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยังส่งมาใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะพวกนี้ก็จะจิตใจคือแบบเหมือนคือว่าได้ได้ ทำดีมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะ<ต>ทําให้ชีวิตเ้าดีเจ้า<ช><ช>ค่ะอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการพูดถึงก็คือว่าในช่วงที่ผ่า น, านมาคนที่ทํางานก่อนที่จ ะ, กะเกษียณเนี่ยน ะ, ะเขาเป็นที่พึ่งของหลายๆคนเจ้าค่ะหรือลูกน้องบางคนเป็นที่พึ่งที่ดีของนายได้นานายให้ความไว้วางใจมอบหมายงานได้เเจ้านายบางคนเป็นที่พึ่งของลูกน้องได้ในายามที่เดือดร้อน บางทีเราทํางานเดี๋ยวเราเป็นที่พึ่งอคนอื่นทีนี้พอเราหมดตําแหน่งหมดหน้าที่ร่างกายเสื่อมต้อยลงเราพึ่งใครไม่ได้แล้ก็จะมาพึ่งเราไม่ได้ละเราจะพึ่งตัวเองก็ยังยากเลยเราจึงต้องหาที่พึ่งะที่พึ่งที่จะทําความเกษมให้ตัวเราได้เนี่ยพระเจ้าพูดถึงคือพึ่งทำพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์เเราจะพึ่งภูเขาป่าไม้อะไรมันก็แต้ช่วระยะเวลาหนึ่งที่มันจะยังไม่แตกไม่ดับ เราจะพึ่งตำแหน่งของเราได้เนี่ยสั่งการได้ก็ช่วยที่คุณยังไม่เกษียณแล้วนั่นเองเพราะคุณเกษียณแล้วคุณพึ่งตำแหน่งคุณไม่ได้ละสั่งเขาไม่ฟังแล้วจบแล้วเนาะเพราะเราจึงต้องหาที่พึ่งที่มันเกษมที่พึ่งที่มันประเสริฐที่พึ่งที่มันดีที่พึ่งที่สูงสุดนั่นนั่นคือพึ่งพระพุทธธรามพระสงค์คระพรทธเจ้าบอกให้พึ่งธรรมนะพระธรรมก็บอกให้พึ่งตนพระสงค์ก็เป็นตัวอย่างของบุคคลที่พึ่งตนมันสรุปก็คือพึ่งตนพึ่งธรรมนั่นแหละค่ะก็คือโดยการที่ ตอนนี้คืออะไรลมหายใจของเรานะเป็นตัวเราเหมือนกันนะอธรรมะคืออะไรธรรมะคืออนาปนสตินะแล้วเรามาดูเราหมายใจเราฝึกปฏิบัติธรรมะอยู่เรื่อยๆเนี่ยนั่นคือพึ่งตนพึน่งธรรมรักอันนี้จะเป็นที่พึ่งที่กเกษมของเราได้ที่ดีของเราได้คือบางทีบางคนอายุมากๆแล้วเนี่ยหาทางไปไม่ถูกตันใจหลง จ, จะไปทางนี้ดีจะไปไหว้ที่นั่นดีจะไปที่นี่ดีไหว้วัดไหว้พระก้าวัดรู้สึกยังไม่ดีเอาวสิบแปดวัดทําไปร้อยแปดวัดนะมันยังไม่ดีเราจะไปทํำยังไงดีค่ะ เราต้องหาที่พึ่งอยตรงนี้ที่พึ่งจะต้องดนะีแล้วก็เวลาที่เราทําที่พึ่งตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะสบายใจแลนะเราจะรู้ได้ไงว่าที่พึ่งอันนี้ถูกหรือผิดแล้ก็ดูที่จิตของเราว่าให้จิตเราสบายไหมใหนะ้จิตเราปล่อยวางได้ไหมคือสบายบางทีมันแค่ฉับชวย <Okay. S 2> นะะนะอย่างเราไป อ, อนวดสักสองชั่วโมงเนี้ยนวดเท้านวดหลังนวดเอวเนี้ยมันสบายช่วงที่นวดต่า น, นั้น <Okay. S 2> นะคะพอคุณออกมาเสร็จปุ๊บ ไปทํานั่นทํานี้ปวดอีกแล้วตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ปวดอีกแล้วมันก็ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไอ้ที่พึ่งที่เกษณเนี่ยคือเราจะสบายใจไปอยู่เรื่อยนั้นคือความสบายที่เ ก, กิดจากการปล่อยวางความสบายที่เ ก, กิดจากการเห็นตามที่ถูกต้องเป็นจริงเราถ้าเราปีที่พึ่งอย่างนี้แล้วนะก็คือพุ่เลยพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลงหายใจของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งได้คคสุดท้ายเลยนะคือเวลาลงหายใจเราจะหมดแล้วเนี่ยนะมันยังเป็นที่พึ่งของเราให้ได้แนะ่ลงหายใจสุดท้าย พึ่งยังไงเจ้าคะก็คือเรามีจิตอยู่ในมีสติอยู่กับจิตหมายว่าเรามีสติอยกับเรหมายใจใช่ไหมเจ้าค่ะจิตตรงนั้นเนี่ยเป็นจิตที่มีสติคุณพึ่งสติตรงนั้นเนี่ยในพระชาพูดถึงอินทรีย์เนี่ยจะเลื่นไปสู่จิตใช่ไหมเจ้าค่ะจิตเนี่ยจะเล่นไปสู่สติสตินั่นแหละจะพาเราไปสู่วิมุตินั้นลมหายใจของเราสุดท้ายเลยเนี่ยเรายังพึ่งได้เลยเพราะว่าจิตของเรามีสติอยู่กับลมสตินั่นแหละจะพาเราไปดีเจ้ค่ะเราก็พึ่งตรงเนื้อเรีอย่างนี้เจ้ค่ะ อ, อะจะขอพูดถึงไอ้ประเด็นหนึ่งอย่างพระสงฆ์เนี่ยคุณดจ่ายมีเกษียณไหมหลวงพออว่อ่ะมันไม่มีเกษียณหรอกพระสงฆ์งนะขนาะว่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบเขายังให้เป็นเจ้าคุณเจ้าคณะอะไรนะั่นนี่ต้องมีงการบริหารงานเจ้าค่ะจริงๆเนี่ยความเกษียณของพระสงฆ์เนี่ยมันตั้งแต่บวชอย่างพระสงฆ์เนี่ยพอบวชมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถือว่างานการอะไรไม่ต้องทำแล้วนะภาษีไม่ต้องเสียะนะไปเลือกังเขาก็ไม่ให้เลือกอ่าไปทําอะไรเขาก็แหม่ทําล่ะ ไปบินาบาตอย่างเดียวให้ศึกษานะพระศ า, าสนาใช่ก็คือนะตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเกษียณแล้วใช่ไม่ต้องมีภาระอะไรเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกลับมากับบุคคลที่เกษียณเป็นฆราว า, เาเสเกษียณเนี่ยคือภาระคุณน้อยแล้วนะคุณมีโอกาสมากแล้วนะพระเจ้าพูดถึงโอกาสว่างนะทางเปิดแล้วนะว่างจากอะไรว่างจากภาระหน้าที่ต่างๆนะวันที่พระสงนเกษียณเนี่ยเกษียณตั้แต่ตอนวันบวชแต่คุณเข้าโบวชไปถือบาตรจีบรที่คุณเตรียมไว้มา ออกมาคุณห่มบาทสะพายจีวรเอาหมา่มจีวรสะพายบาตออกมาด้วยเนี่ยถือว่าตอนนั้นคุณกเกษียณแล้วไม่มีภาร ะ, ะรแล้วนะโอกาสว่างเปิดแล้วนะคือเป็นถึงภาระทางโลกใช่ใช่ภาระที่ต้องไปทำมาหากินเสียภาษีเรื่ต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าเคยตรัสกับพระเจ้าเปรียญที่โกสลถึงภาระตรงนี้โปร่งหมดละเป็นสามัญญผลที่คุณเห็นได้ปัจจุบันเลยนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้คุณมีสามัญญผลเกิดแล้ว สำหรับบุคคลที่เกษียณนะสามารถผลเนี่ยของการที่เรามีโอกาสว่างละเวลาว่างแล้วเราไม่ต้องไปรายงานตัวกับหัวหน้าคนไหนเราไม่ต้องไปรายงานตัวเรื่องอะไรนะเราไม่ต้องทําตามคําสั่งใครนะตื่นเช้ามาฉันเป็นอิสระของฉันแล้วนะเราคิดอย่างนี้โอกาสว่างทันดีแล้วเราจะทําอะไรนี่นหะโอกาสว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมให้จิตใจของเรามีธรรมะ ให้คิดใจของเรามีธรรมะทำบุญทำกุศลไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจทำบุญทำกุศลไว้หัดสมาธิไว้ถ้ากิจของเราบรรลุมรรคผลได้เป็นพระฉวดาบันก็ผิดสบายอยา่างพูดเจาค่ะแม้ชั่วขนาดไหนก็ไม่ได้ไปสู่นรกแล้วเจ้าค่ะแต่ถ้าปฏิบัติยิ่งขึ้นไปกว่นั้นถึงมรรคชั้นสูงก็ยิ่งสบายขึ้นไปอีก เพราะว่าศาสนาของพุทธเจ้าของพุทธเจ้าศาสนาท่าตามได้มกักแปดยังมีอยู่คนปฏิบัติตามมากักแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างเกี่ยวกับอาหารเลยค่ะถ้าใครว่าเราเกษียณอายุแล้วเราหาความสงกทางใจเถอะแต่ไปฝึกไปทําแล้วมันดีขึ้นจิตใจสบายเช่นอย่างโยคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมท่านเกษียณอายุแล้วท่านก็เข้าวัดเจ้าค่ะเข้าวัดฟังธรรมจำสินภาวนาไปตามยุคตามสมัยของท่านอืม ให้ก็สบายคิดใจก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วทำก็เข้าถึงใจพอทำเข้าถึงใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขคิดใจเป็นสุขทําอะไรอยู่ก็เป็นสุขนี่เรียกว่าอธิพึงหลังใจไว้เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นที่พึ่งที่เกษมด้วยใช่ไหมคะ ใ, <ช><า>ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะแ ล, แล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้นะคุณเจ้จะยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ด้วยอืมเจา้าค่ะเกิดหมายว่าเป็นตัวอย่า ง, งการปฏิบัติที่ถูกต้องในอย่างโยมคนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างถึงใช่เขาเป็นที่พึ่งของหมู่เพื่อนของเข า, าในการที่เอ้เฮ้ยคุณตั้งแต่หกสิบเขาเกษียณมาเนี่ยนะเขามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมมีกําลังวังชาต่างๆสบายใจมากขึ้นเนี่ยเขาตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของเพื่อนอื่นๆที่ประมาทในวัยุดท้ายเจ้ค่ะ สิบปีล่วงมาแล้วจากวัยเกษียณอายุสิบปีล่วงมาแล้วเจ็ดสิบแล้วเพิ่งจะระลึกได้แบบเอ้ยฉันไม่ควรประมาทเขาจึงเป็นที่พึ่งชักชวนมาในการปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งของลูกหลานเป็นตัวอย่างของความไม่ประมาทกลายเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นบุญกุศลให้เขาด้วยนะเจ้าคะแล้วพอเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี้เราไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วเลยมาพึ่งธรรมะพึ่งพุทธธรรมสงฆ์ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์คือหมายความว่าเป็นตัวอย่างในการพึ่งตนใช่ไหมแล้วก็เลยเป็นที่พึ่่่งงขอออคนนืตไป ใจการเป็<ะ>นตัวอย่างเป็นตัวอย่างตรงนี้ก็หาทางชักชวนหมู่เพื่อนในรุ่นเดียวกันที่เคยเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ชวนกันม า, มาปฏิบัติธรรมบอกว่าเมียนี่ก็กูกลับไปนี่กูจะดา่ามันอยากเต็มที่บบะะเลยแล้วกันจะด่าเลยมันให้กูมาทุกข์แล้วเกินมานั่งสมาธิทีนี้ต่อมาก็หัดไปหัดไป หลายวันเข้าสองสามวันเข้าจิตใจสงบมาเนี่ยจิตเป็นสมาธิดีขึ้นจิตใจมั่นคงจิตใจสบายมาเนี่ยเออเราจะต้องไปคารวะเมียหรือเปล่านี่จะค่ะจะค่ะต้องขอบคุณนะเจ้าค่ะว่าที่ชักชวนแล้วก็ให้มาครั้งแรกว่าจะอาจจะบังคับมาบังคับมาเนี่ยบังคับมาเจ้าค่ะเจ้ค่ะแต่พอเชิญกันเออแต่พอมาปฏิบัติมันมันหนักเนะยเจ้าค่ะมันเหนื่อยมากแน่ ก็เราจะไปด่าอย่างเต็มที่เลยว่าแต่พอเออพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตสงบจีนี่มันสบายเลยเนี่ยพอจิตสงบสบายแล้วเอเีกก็ถามเพื่อนนะเอีเรานี่จะต้องกลับไปคารวะเมียหรือเปล่าต้องกลับไปขอบคุณด้วยนะนะที่ที่ภรรยาชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมด้ยค่ะซึ่งเป็นทางที่ถูกที่พวรนะจะคะ ตอนนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เจ้าขาพระอาจารย์และหลวงพ่อเจ้าขายมอยากจะข อ, อ ที่ว่าให้ทั้งหลวงพ่อและกัพระอาจารย์นะเจ้าคะได้ให้ธรรมะแก่บรรดาพี่ๆที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะเจ้าค ะ, ะหรือว่าแม้แต่ในจากหน่วยงานเอกชนอื่นๆก็ตามซึ่งอายุอาจจะเป็น60หรือบางแห่งอาจจะเป็น55โดยซ้ำไปสําหรับภาคเอกชนนะเจ้าคะว่าเมื่อมาถึงจุดๆนี้ที่เรารู้ว่าเรากําลังจะมาถึงช่วงปัจฉิมวัยคือแบบภาระหน้าที่การงานเนี่ยแม้เราอยากจะทําต่อแต่ว่าโดยโดยหลัก กดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหยุดทํางานนะเจ้าคะเนี่ยถ้าเผื่เกิดจิตใจเราเราจะวางจิตใจยังไงนะเจ้าคะว่าเราถึงจะจิตใจสบายแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เจ้าคะ่ะมันเป็นเหมือนกับหัวโขนก็คือว่ามันเป็นสิ่งภายนอกทั้งสิ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าคะ่าคะอาจารย์ขอพูดตรงนี้นิดนึงว่าเจ้าคะ่ะสำหรับคนที่จะเกษียรอายุเนี่ยน ะ, ค, ะความสุขอะไรในโลกเนี่ยคิดว่าคุณเจอมาหมดแล้ว นะไม่ว่าจะไปกินอาหารร้านที่มันอร่อยอร่อยที่สุดไปเที่ยวที่มันดีๆที่สุดความสุขจกการมีรูปมีภรรยามีเมียความสุขอะไรต่างๆเนี่ยคุณผ่านมาหมดแล้วใช่ไหะหรือว่าส่วนใหญ่ได้เจอแล้วแต่ถึงต้อมาลองหาความสุขที่อยู่ข้างในดีกว่าความสุขที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งภายนอกความสุขที่บริสุทธิ์สะอาดมากขึ้นนะอยู่ในใจเรานี่เองถ้าเราลองหาเจอแล้วเราจะพบว่าโอ้โลกนี้มังยังมีอะไรที่มันดีๆอยู่นะถู <Okay. S 2> กค่ะเกษียณไม่ใช่แค่จบแค่นี้นะ มีสิ่งที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้อยู่ชีวิตเราจะมีความหมายมากขึ้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นตัวเราเองด้วยคุกค่ะก่อนเกษียณอาตมาขอให้พรให้ท่านทั้งหลายที่เกษียณอายุราชการนี่จงมีความสุขความเจริญจงหันหน้าเข้าสู่ธรรมะหันหน้าเข้าสู่การฝึกหัดปฏิบัติ จ, จิตใจหาที่พึ่งให้กับเจ้าของคือตนเอง หาพิ่งให้กับที่พึ่งให้กับตนเองขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจถึงซึ่งความสุขความเจริญตลอดไปตลอดกาลนานเทอนสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะอันนั้นก็เป็นแนวคิดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังรืยเป็นอย่างยิ่งท่านที่เกษยียณอายุราชการ ในเดือนกันยายนนี้นะคะที่รายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ฝากไว้ในการสนทนาธรรมะหรือสากฉาในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นวันอาทิตย์ ที่เป็นสุดท้ายของบรรดาท่านที่จะรับราชการแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมื่ อ, อเปิดขึ้นมาวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ของท่านแล้วเจงก็ตามนะคะเรียนหวังใจว่าสิ่งที่ได้สักชาหรือสนทนาธรรม ะ, ะเกี่ยวกับเรื่องอธรรมะเกี่ยวกับผู้เกษียณอายุราชการมาในทั้ง2วันนี้คือทั้งในเช้า ว, วันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการธรรมารัปรุณนั้นคงจะเป็นแง่คิด เป็นมุมที่ท่านผูฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่อาจจะเคยประมาทพลาดพลั้งไม่ได้นึกถึงข้อที่จริงในข้อนี้หรือว่ามองไม่เห็นถึงความสุขภายในที่เกษมอย่างแท้จริงจากการที่เราจะหันหน้าเข้าหามียึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังไม่สายเกินไปนะคะเราสามารถทําได้ท่านก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่จะเข้าสู่วัยเกษยียณอายุราชการอย่างมีความสุข แล้วก็สมบูรณ์ทั้งกายใจต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนสนทนา ม, มาแล้วว่าถ้าจิตใจเราดีนั้นเนี่ย ทุกอย่างในร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะก็ยังเป็นที่นอกจากจะเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วยังสามารถเป็นที่พึ่งของเพื่อนฝูงแล้วก็ลูกหลานได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นเกียรติภูมิถือเป็นความดีที่เราจะสะสมกันไว้ในช่วงปัจิชิมวัยเลยในวัยสุดท้ายของเรานะคะค่ะสําหรับในเช้าวันนี้รายการธรรมาราบุรุนก็ขอกราบน้ำสการกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโส หรือท่านพระครูสิทธิปวากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหาโศกนะคะพร้อมทั้งพระอาจารย์องค์ปาถก ป, ประจํารายการธรรมรัปปุรุณในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงนี้นะคะพระอาจารย์ไพบุตอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธวัจนะหรือพุทธโอษของวัดป่าดอนไหาโศก ตำบลดอนหายสุอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์และอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนจริงๆนะคะซึ่งก็จะมีธรรมะดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวนันนี้เรามากราบน้ำมาสการขอพระคุณและกราบน้มสการลา เพลิดเพลินหลวงพ่อดรสะอาดที่โตผาโสและพระอาจารย์ไพบูตรอภิภูโนเพียงแค่นี้นะคะกลับน้ำมการขอพระคุณและกลับนมำมการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าฟาและพระหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ เ, อ, เอียพ่เอียพ่สาธุเจ้าค่ะ